ลำดับที่เกเมื่อวันที่สี่ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสองโดยพระคัญชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมเจ๊เล็กทอ เนื่องจากว่าช่วงแรกนี้มันจะมีเสียงดังเยอะพอสมควรเลยปกติจะให้ช่วงแรกนั้นโยมได้ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงดังอย่างนี้เนี่ยการปฏิบัติคงไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็คงจะขอสลับเฉพาะสําหรับวันอาทิตย์นี้นิดหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวช่วงแรกนี้จะเล่าให้โยมฟังเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานต่อต่อจากคราวที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงระยะเวลาประมาณสัก11บเอโมง เราก็จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานกันต่อในะประมาณสักสิบเอ็ดโมงสิบห้าโดยประมาณน ะ, จะเจริญพรก็คงจะขอสลับกันอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ท่านั่งสมาธิก็คงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่น ะ, จะเจริญพรอ่าวันนี้ก็คงจะมาพูดถึงในเรื่องของสําหรับในวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวก่อนที่จโยมจะได้ปฏิบัติกรรมฐานต่อในช่วงสิบเอ็ดมงสิบ้า ก็คงจะได้มาคุยถึงในเรื่องของทานต่อนะจากคราวที่แล้วนะคราวที่แล้วนั้นโยพอจำได้นะในเรื่องของการให้ทานนั้นว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างนะองค์ประกอบสามอย่างนี้ก็คื อ, อผู้รับผู้ให้แล้วก็สิ่งของแล้วก็ได้เอาพระสูตรยกเกี่ยวกับเรื่องของเจตนานาในการให้ทานมาหลายพระสูตรด้วยกันนะมีทั้งแบบเจตนานแปดอย่างเจ็ดอย่างก็มีนะ วันนี้ก็จะขอพูดถึงเพิ่มเติมในเรื่องของการให้ทานว่าในการให้ทานนั้นถ้าโยมเคยอ่านเกี่ยวกับพุทธประวัติโยมอาจจะยัเคยได้ยินคําว่าบารมีสิบเคยได้ยินไหมเอ่ยบารมีสิบทัศน์ซึ่งเป็นบารมีที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บําเพ็ญมาเพื่อที่จะตัสรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ในบารมีสิบทัศนั้นท่านก็จะแยกออกแยกออกอย่างไร แยกออกเป็นระดับอีกสามระดับด้วยกันถ้ารวมสามระดับคูณกับสิบบารมีเป็นเท่าไหร่เอ่ยสามสิบอันนี้บา ร, รมีสามสิบเคยได้ยินกันไหมเอ่ยไม่เคยแล้วนะเจริญพรแต่ว่าบา ร, รมีสามสิบนี่คือแยกตามระดับซึ่งหนึ่งในบา ร, รมีสิบนั้นก็จะมีเรื่องของการให้ทานด้วยให้ทานนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นใครเอ่ย ที่บำเพ็ญอ ย, าย่างยิ่งยวดในเรื่องของการให้ทานพระเวสสันดร น, นะเป็นพระเวสสันดรนั่นเองนะนนั้นก็คือในช่วงที่ท่านบำเพ็ญอ ย, าย่างยิ่งยวดในเรื่องของการให้ทานซึ่งถ้ามองในแง่นี้เราก็อาจจะแบ่งในเรื่องของการให้ทานออกได้เป็นสามระดับตามในเรื่องของอานิสงส์อานิสงส์แล้วก็ตามในเรื่องของกำลังของการให้ทานแบ่งออกอย่างไร อย่างแรกเลยในบารมีสิทถ้าแบ่งออกเป็นสามระดับท่านก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งบารมีธรรมดาท่านจะเรียกว่าปารมิตาอย่างที่สองบารมีที่ยิ่งกว่าท่านจะใช้คําว่าอุปปปารมิตาและอย่างที่สามบารมีในขั้นยิ่งยวดท่านจะเรียกว่าปารมัทธปารมิตา ถ้าใช้คำว่าปาริมิตาอย่างนี้ย่มพอคุ้นเคยไม่เอ่ยบางคนอาจจะเคยสวดในลักษณะของบารมีสามสิบก็จะมีในเรื่องของปารมิตาอุป ป, ปารมิตาแล้วก็ปรมัตถปาริมัญจาในเรื่องของทานนี้ก็เหมือนกันนะที่บอกว่าทำไมกำลังของการให้ทานหรือว่าความแน่วแน่ในการให้ทานนั้นแบบได้เป็นสามระดับอย่างนี้ในทีน่นี้มุ่งในแง่ของสิ่งที่เราให้นะ หรือวัตถุสิ่งของหรือรูปธรรมที่เราใหนะ้มุ่งในแง่นี้เมืนะ่อมุ่งในแง่ของวัตถุหรือรูปธรรมที่ให้ท่านก็เลยแบ่งออกเป็นสามระดับนะการให้ทานในระดับแรกที่เราให้ทานทั่วไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอะไรเอ่ยให้วัตถุสิ่งของต่างๆใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่าให้ของนอกกายนะการให้ของนอกกายหรือให้วัตถุสิ่งของต่างๆนี้ ท่านก็จะจัดอยู่ในประเภทบา ร, รมีธรรมดาอย่างโยมถวายเงินถวายข้าวของเงินทองเนี่ยต่อให้มากมายแค่ไหนก็จะจัดอยู่ในประเภทบา ร, รมีประเภทธรรมดาแบบนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยความแน่วแน่อย่างน้อยอยู่ถ้าบารมีในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นบารมีในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ใช่เพียงแค่ให้สิ่งของอย่างพวกเราเดี๋ยมีทีให้สิ่งของที่เป็นของรักของห่วง หรือบางทีให้เงินเยอะๆยังไม่ค่อยอยากจะให้ใช่ไหมใช่หม <c oughs> นะอันนี้เป็นเรื่องของกําลังใจในการเสียสละหรือจาค่าของเราหรือการให้นั่นเองแต่ถ้าบําเพ็ญบา ร, รมีที่สูงขึ้นไปกว่า น, นั้นจะไม่ใช่เพียงแค่การให้สิ่งของอย่างพระเวสสันดรเองตอนบําเพ็ญบา ร, รมีในแง่ของสละวัตถุภายนอกนะสละวัตถุภายนอกนี้ตั้งแต่ทรัพย์สิสนเงินทองรวมไปถึงอะไรเอ่ยที่เป็นเหตุให้พระเวสสันดรจะต้องออกจากเมือง ช้างคู่บ้านคู่เมืองนั่นคือวัตถุหรือสมบัติภายนอกซึ่งถือว่าเป็นของคู่เมืองคนอื่นไม่เข้าใจก็เลยขับพระเบชันอนออกจากเมืองแนั่นถือว่าเป็นการบำเพ็ญในระดับของบารมีประเภทให้วัตถุสิ่งของเท่านั้นคือให้สิ่งภายนอกให้นอกจากนั้นก็มีให้บุตรให้ภรรยาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประเภทบารมีประเภทวัตถุภายนอกแต่บารมีในขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นในเรื่องของการให้ทาน เ ร, เรียกว่าอุป ป, ปารมีคือการให้อะไรเอ่ยให้อวัยวะให้อวัยวะได้วัตถุภายนอกเราพูดถึงเนี่ยบางทีบอกให้วัตถุภายนอกให้สิ่งของบางทีเรายังรู้สึกอืมยังหวงอยู่บ้างแต่บ อ, บอกว่าให้บริจาคอาวัยวะเนี่มีสักกี่คนจะบริจาคยากเลยใช่ไหม อันนี้ถือว่าเป็นทานที่ทําได้ยากยิ่งขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความเสียสละจริงๆมีจิตใจที่จะให้จริงๆ จ, จริงจะยอมสละได้นะยังให้วัตถุภายนอกตรงส่วนนี้โนะยมบางทีโยมอาจจะนึกไม่ถึงนะว่าเป็นการบาเพ็ญบา ร, รมีที่เประเล็กมากกว่าการให้วัตถุหรือว่าสิ่งของหรือว่าให้เงินทองเสียอีกท่านจึงเรียกว่าเป็นอุป ป, รปรัรมียกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยเช่นบริจาคดวงตา บริจาคดวงตาอ่านี้ต้องให้ตอนที่เสียชีวิตแล้วแต่บางคนก็อาจจะให้ตอนที่มีชีวิตก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เราให้ได้ก็คือบริจาคเลือดหรือโลหิตใช่ไหมใช่นั่นแหละคือการให้อะไรเอ่ยส่วนหนึ่งของอวัยวะของเรานะั่นก็คือเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมีสักกี่คนได้ไปบริจาคบ้างนั่นแหละเป็นทานที่ประเสริฐกว่าการให้ทรัพย์ทอีกนะ แล้วการบริจาคเลือดของเรานี่หมายความว่าสามารถนําไปช่วยชีวิตของผู้อื่นได้ใช่ไม่ใช่นําไปช่วยชีวิตของผู้อื่นได้อย่างคนที่กําลังผ่าตัดหรือคนประสบอุบัติเหตุที่เขาไม่มีเลือด ก, กลุ่มที่เรามีหรือกรุ๊ปที่เรามีนั่นแหละเป็นการให้ทานที่ประเสริฐยิ่งกว่าการให้ทรัพย์ซี้อันนี้ว่าถึงวัตถุสิ่งของที่ให้นะมาพูดถึงประเด็นในแง่ของวัตถุสิ่งของที่ให้นะถ้าแน่วัตถุสิ่งของที่ให้จะเห็นว่าการให้อวัยวะประเสริฐมากกว่าการให้ซับ ประเสริฐมากกว่าถือว่ามีบารมีมากกว่าเป็นการให้ที่สูงมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมบริจาคเลือดแล้วจริงๆทางด้านการแพทย์เดี๋ยการบริจาคเลือดถ้าคนไข้กระดูกดีๆเนี่ยการบริจาคเลือดนั้นช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยซ้ํำเพราะว่าเป็นการที่ทําให้เราเกิดมีเกิดการชําระล้างเลือดออกจากร่างกายด้วยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเอาถ้าไม่ใช่บริจาคเลือด ก็อย่างที่ที่โยมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือยกตัวอย่างเช่นการบริจาคตาใช่ไหการบริจาคตาคือแก้วตาเนี่ยบริจาคตอนที่เราเสียชีวิตแต่ถ้าเราตั้งเจตนาตั้งจิตตั้งที่จะให้เสียก่อนนั่นก็ถือเป็นการให้ที่ประเสริฐเช่นเดียวกันเอาตอจากบริจาคตาบริจาคอะไรได้อีกร่างกายใช่อันนี้หมายถึงเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วนะตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเลยใช่ไหมใช่ นะแล้วก็อย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆนะบางทีคนไทยกลัวไม่อยากบริจาคดวงตาเดี๋ยวตายไปในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาตาจะบอดนะคนละเรื่องเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้เป็นการให้ทานที่ประเสริฐมากสิยิ่งกว่าโยมให้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซะอีกนะเนี่ยครับท่านเรียกว่าเป็นบารมีที่ยิ่งกว่าหรือว่าอุปปะบารมีนะเป็นบารมีที่ยิ่งกว่าไม่ยากใช่ไหมจริงๆโยมทําได้ทุกคนโยมทําได้ทุกคน เดี๋ยววันนี้ถ้าตื่นเช้าหน่อยก็พรุ่งนี้นอนให้พอนะหรือว่าเสาร์อาทิตย์หน้านอนให้พอไปบริจาคเลือดซะหน่อยนั่นถือเป็นการให้ทานในขณะที่บริจาคตั้งเจตนาให้ถูกใช่ไหมตั้งเจตนาถูกมีความภาคภูมิใจมีความอิ่มใจนั่นถือว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของเสอีกการให้ที่สูงมากขึ้นไปกว่านั้ น, นประเสริฐมากกว่าการให้ทานที่เรียกว่าเป็นการให้อวัยวะ ที่ท่านจัดว่าเป็นปรมาภะบา ร, รมีนั่นก็คือการให้อะไรเอ่ยคือการให้ชีวิตคือสามารถสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้ซึ่งบา ร, รมีในขั้นยิ่งยวดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วหลายต่อหลายชาติยกตัวอย่างเช่นในพระชาติในในสมัยหนึ่งนะตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านได้เห็นแม่เสือกับลูกเสือตกลงไปในบ่อและปรากฏว่ามันจะกินกันเองด้วยความที่ท่านเห็นว่าถ้าลูกเสือกินแม่เสือหรือฆ่าแม่เสือตายนี่เป็นยังไงเอ่ยโอ้นี่ถือว่าเป็นบาปหนักเลยนะเพราะท่านต้องการรักษาธรรมต้องการช่วยเหลือตรงส่วนนี้ท่านยอมสละชีวิตของท่านโดยกระโดดลงไปในบ่อเพื่อให้เสือกินร่างกายของท่านแทนเพื่อที่เขาจะได้ไม่ทํา บาปกรรมที่ช่วยร้ายเสียหายมากขึ้นไปกว่านั้นนี่คือกรณีตัวอย่างนะกรณีตัวอย่างเพราะฉะนั้นอย่างบุคคลอย่างพนักง า, านดับเพลิงที่เข้าไปเสี่ยงชีวิตไปช่วยผู้อื่นนั่นนะเขากําลังนอกจากกําลังทํางานแล้วเขากําลังให้ทานที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะใช่ไม่ใช่หรือคนเห็นคนประสบอุบัติเหตุหรือคนจมน้ํายอมเสี่ยงชีวิตกระโดดลงไปช่วยเขานะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งนะต้องว่ายน้ําให้เป็นหรือว่ายน้ําให้แข็งด้วยนะไม่งั้นกระโดดจอมเนี่ยจมไปทั้งคู่นะแต่คนที่ยอมเสี่ยงชีวิตยอมสลัดได้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นแสดงว่าจิตใจเขามีลักษณะของการให้อย่างประเสริฐท่านจึงจัดเป็นปรมัตถบารมีหรือบารมีอย่างยิ่งยวดเพราะในเรื่องของการให้ทานนั้นถ้าแบ่งตามวัตถุนะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องของอานิสงส์ของการให้ทาน ก็อาจจะแบ่งออกได้เป็นสามระดับอย่างนี้ซึ่งแม้ในสมัยที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดสั้แล้วท่านก็ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยการเปรียบเทียบเอาไว้แต่อย่างที่อาตมาได้บอกเอาไว้ไม่ว่าจะให้วัตถุสิ่งของไม่ว่าจะให้อวัยวะหรือแม้กระทั่งให้ชีวิตการให้ทุกอย่างนั้นยังไม่ประเสริฐเท่ากับการให้อะไรเอ่ยให้อะไรเอ่ยให้ธรรมะนะ มันให้ยมจําไว้เลยการให้ธรรมนี่คือการให้ที่ประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าท่านทุบอกว่าสัพพทานางธรรมทานางชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทางตัวการให้ธรรมนี่ยากไหมไม่ยากนะสื่อธรรมะก็ได้การบอกการสอนการเล่าการชักชวนก็ได้นี่ก็ถือเป็นการให้อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นการให้ที่ดีงามเป็นการให้ที่ประเสริฐพระสมณะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าบุคคลนั้น พึงสละทรัพสมบัติเพื่อรักษาอวัยวะบุคคลพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาอะไรสำคัญก็อวัยวะชีวิตแต่ท่านตรัสไว้เป็นในประโยคสุดท้ายว่าบุคคลพึงสละได้ทั้งทรัพสมบัติทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรม นั้นธรรมะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผูนะ้ลคลที่มีจิตใจสละทั้งหมดได้เพื่อทำอันนี้ก็เรียกว่าถ้าปฏิบัติธรรมก็มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้สูงลนะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้สูงซึ่งตัวอย่างนี้มีมาในสมัยพุทธกาลัอยู่หลายท่านด้วยกันอาตมาขอยกตัวอย่างนะมีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะพระรูปนี้ ตอนเข้าพรรษาท่านได้อธิษฐานเอาไว้อธิษฐานในที่นี้ก็หมายถึงตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จในพรรษานั้นท่านได้อธิษฐานว่าท่านพระองค์นี้ชื่อว่าพระจักคูบาล น, นะจักคูบาลจักขูแปลว่าตาบานก็แปลวารักษาจักคูบาลก็อันนี้เนื่องจากว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการตรัสรู้ของท่านเดี๋ยวลองฟังต่อว่าทําไมท่านชื่อว่าพระจักคูบาล ในการข้าพรรษาในพรรานั้นท่านได้ตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติสมณธรรมให้อย่างยิ่งปกติเวลาพระเข้าพรรษาเนี่ยอย่างในสมัยโบราณเนี่ยท่านก็จะมีการอธิษฐานอธิษฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งใจมั่นที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จบางคนก็อธิษฐานว่าจะปฏิบัติธรรมในเรื่องนี้เรื่องนี้ตลอดพรรษาหรือมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอย่างยิ่งยวดตลอดพรรษาอย่างนี้เป็นต้น พระจักคุบาล น, นั้นได้ให้ทิษฐานว่าท่านจะปฏิบัติธรรมตลอดสามเดือนนี้ในสามอิรยาบทเท่านั้นคืออิรยาบทยืนเดินและนั่งตลอดสามเดือนนี้ท่านจะไม่ให้หลังของท่านแตะถึงพื้นคือจะไม่นอนตลอดสามเดือนไม่ล้มตัวลงนอนตลอดสาเดือน จะปฏิบัติธรรมตลอดสามเดือนด้วยสามอิรยาบทนี้เท่านั้นเมื่อท่านตั้งใจอย่างนี้ในช่วงพรรษานั้นท่านก็เลยปฏิบัติสมณธรรมเมื่อปฏิบัติไปปรากฏว่าท่านเกิดอาการล้มป่วยที่ล้มป่วยนี่คือตาท่านเจ็บตาท่านมีอาการเจ็บพอตาท่านมีอาการเจ็บอย่างนั้นหมอที่ ทราบข่าวก็เลยมาช่วยดูท่านโดยการผสมยาหยอดให้กับท่านแต่ยาหยอดนี้จะต้องหล่อเลี้ยงในตาเพราะฉะนั้นเวลาหยอดตานี้ต้องททํทำยังไงเอ่ยต้องนอนยืนหยอดอย่างนี้ไม่ได้ยืนหยอดนะเมื่อยาหยอดตามันก็หล่นลงมาหมดมันเป็นยาน้ํานะง้างหลังหยอดแบบนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานต้องนอนหยอดและยามันต้องจะไปได้ทั่วตา ที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของท่านได้หมอคนนี้ก็เป็นหมอที่เก่งแต่พระจักคุบาลท่านปารถว่าท่านได้ตั้งใจอธิษฐานไม่แล้วว่าตลอดพรรษานี้ท่านจะอยู่เพียงแค่สามอิรยาบกบ็คือยืนเดินนั่งเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ยอมนอนหยอดตาท่านก็นั่งหงายหลังนิดหนึ่งแล้วก็หยอด คราวนี้เนื่องจากยานั้นมันเข้าไปในตาได้ไม่ดีผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเอ่ยตาของท่านอาการมันก็ไม่ดีขึ้นอาการมันก็แย่ลงแย่ลงหมอก็มาตรวจมาตรวจเสร็จก็ถามพระจักคุบานว่าท่านได้หยดยาตาไหมท่านก็บอกว่ายอดท่านได้นอนหยอดหรือเปล่าพระจักคุบานก็ไม่ตอบเพราะท่านไม่ได้นอนหยอดท่านไม่มุสา หมอก็บอกว่าท่านต้องนอนหยอดนะไม่เช่นนั้นยานั้นจะไม่สามารถที่จะไปหลอดเลี้ยงในดวงตาได้แม่หมอเตือนอย่างนั้นท่านก็ยังไม่นอนหยอดจนกระทั่งหมอมาตรวจตรวจอีกก็เลยบอกว่าถ้าท่านไม่นอนหยอดอย่างนี้ท่านอย่าไปบอกผู้อื่นนะวา่าพระพเจ้ามารักษาท่านเพราะว่าอะไรเอ่ยรักษาไม่หายก็เสียชื่อหมอสิใช่ไหม พระจักรุบาลก็ไม่บอกนะก็รับปากว่าจะไม่บอกหมอก็จากไปเมื่อหมอจากไปพระจักรุบาลก็ยังหยอดตาในแบบเก่าวผลที่เกิดขึ้นคืออาการของโรคก็กาเริบมากขึ้นกาเริบมากขึ้นจนกระทั่งในตาของท่านเกิดอาการปวดอย่างมากในตอนนั้นพระจักรกุบาลมานั่งไคร่ครวนท่านไครครวนแล้วถามตัวเองเราจะนอนหยอดตาเพื่อให อาการของตาเราบนเทาลงดีหรือเราจะมั่นในสมณธรรมที่เราได้อธิษฐานคือได้ตั้งใจไว้ว่าจะทาให้สาเร็จได้ในพรรษานี้ท่านไข้ ค, รครวรอย่างนี้ท่านก็ได้คำตอบมาว่าเราบวดมาเพื่ออะไรเราจะยินดีเพียงแค่ในกายนี้เท่านั้นหรือเพียงแค่ลูกตานี้เท่านั้นหรือเพื่อให้บรรลุถึงธรรมแล้วแม้ชีวิตเราก็เป็งสละได้ เมื่อท่านไข้คล้วนได้อย่างนั้นท่านจึงตัดสินใจว่าแม้ตาจะบอดเราก็จะไม่เลิกในการปฏิบัติสมถธรรมที่เราได้ตั้งใจไว้จะทําท่านก็ปฏิบัติทำต่อด้วยสามอิริยาบถยืนเดินนั่งเมื่อท่านปฏิบัติไปเรื่อยๆผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าในตาของท่านก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอาการสุดหนักในขณะที่ท่านนั่งปฏิบัติธรรมอยู่นั้น ปรากฏว่าในตาของท่านเข้าใจว่าความดันเลือดสูงในตาของท่านก็แตกก็คือตาบอดทั้งสองข้างแต่เพราะว่าความที่ท่านสละได้แม้กระทั่งชีวิตและร่างกายนี้นั่นเองเป็นการพิจารณาเห็นถึงอนิจจสัญญาเห็นความไม่เป็นตัวตนของร่างกายเห็นความเป็นทุกข์ของกายนี้จิตท่านจึงหลุดพ้นจากอสวกิเลต พร้อมๆกับในตาที่แตกไปของท่านนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างนะนี่คือเป็นตัวอย่างนี่คือการสละอย่างยิ่งใช่ไหมสละได้แม้กระทั่งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อการรักษาธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างในพระในสมัยพุทธกาลอันนี้คือคือพระจักขุบาลสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุอรหันต์พร้อมๆกับตาของท่านได้ดับวูบลง เราปฏิบัติได้อย่างนี้ไหมตั้งใจจะนั่งสองชั่วโมงพอปวดขาไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะมันคนที่ปฏิบัติธรรม น, นีนนะ่ต้องเอาจิงเอาจรงขนาดนั้นนะต้องเอาจิงเอาจรงเมื่อตั้งใจมั่นว่าจะทำทำให้สำเร็จเมื่อตั้งใจจะสละไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านยอมสละได้เพื่อรักษาธรรมและรักษาความดีงาม น, นี่ตัวอย่างที่หนึ่ง นี่ก็ถือว่าเป็นการให้ทานอย่างยิ่งยวดใช่ไหมสละได้แม้แต่ในเรื่องของอะไรเอ่ยเอาอวัยวะและร่างกายะหรือแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมมีอีกตัวอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันมีพระไปเจริญสมณธรรมในป่าปกติพระไปเจริญสมณธรรมนี่ก็เข้าป่าลึกเมื่อเข้าป่าลึกนั้นะก็จะอยู่เจริญสมณธรรมตลอดทันสนั้น ก็เลยตกลงร่วมกันว่าการพูดคุยนั้นยิ่งทําให้เราพุ้งสร้างเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดคุยกันในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงระยะเวลาที่เราปารลบหรืออธิษฐานที่จะปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่พูดคุยเราจะไม่ส่งเสียงแต่ปรากฏว่าในป่านั้นมีเสือมีเสืออาศัยอยู่ พอพระเขาไปปฏิบัติในป่าก็แยกไปอยู่ทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ใช่ไมเสือพอหิวเสร็จปุ๊บเดินมาเห็นพระนั่งอยู่นิ่งๆทำยังไงมนก็ข้าไปเลยนะข้าไปทีละองค์ทีละองค์แต่ด้วยความที่ท่านตั้งใจอธิษฐานไว้แม้ถูกเสีอข้าบท่านก็ไม่ร้องสะแอ ะ, นะ ะ, ะก็ปรากฏว่าพระก็ค่อยหายไปทีละรูปทีละรูปทีล ะ, ะรูปนะ ตนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งโดนเสือค้าบไปขณะที่ท่านโดนเสือค้าบไปเสือรากขาท่านไปเข้าป่านั้นท่านมานั่งนึกในใจท่านมานั่งปรารว่าว่า เ, เราจะร้องออกมาให้เพื่อนพระช่วยช่วยมาไล่เสือนี้ดีหรือเราจะรักษาธรรมที่เราได้ตั้งใจจะรักษาเอาไว้ดีก็อย่างเดียวกันกับพระจักคุบาลคําตอบของท่านคือ ท่านยอมเพื่อรักษาธรรมท่านพอเผือกเสือข้าเข้าไปในป่าเสร็จปุ๊บเสือก็เริ่มลงมือทะกินท่านในขณะที่กินนั้นท่านก็น้อมยกเอาเวทนาหรือคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นยกขึ้นพิจารณาเป็นทุกขานุปัสสนาเป็นเวทนานุปัสสนายกเอเวทนานั้นขึ้นพิจารณาโดยมองว่าเป็นอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากตัวของท่านออกไป พิจารณาเพื่อสลัดเพื่อละออกไปเวียนนายคลายกำหนดดับแล้วก็สลัดเคลือนออกไปเมื่อเสือเริ่มกินถึงข้อขาท่านมารรลุสโสดาบันพอกินมาถึงหัวเข่ามารรลุสกทาคามีพอเสือกินมาถึงท้องของท่านท่านมารรลุอนาคามีพอเสือกินถึงคอท่านก็บรุอรหัตผลพร้อมกับการจากไปนี่คือตัวอย่าง นี่คือความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวของพระในสมัยพุทธกาลที่เมื่อตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแล้วท่านเอาใจใส่แล้วก็มีสัจจกากับตัวเองอย่างยิ่งยวดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็ถ้าจะจัดนี่ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างหนึ่งใช่ไหมยอมสละได้แม้ทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมนั่นเองมันการให้ทานในที่นี้นะโยมอาจจะต้องยังไม่อาจจะบอกว่ายังทาได้ไม่ถึงขังน้นนี้ก็ไม่เป็นไร แต่ยังน้อยให้รู้ว่าสิ่งของที่จะให้หรือของที่จะให้นั้นโยมให้ทรัพย์สมบัติมากแค่ไหนก็ยังไม่เท่าโยมสละอวัยวะในในในแง่ของวัตถุนะสละอวัยวะก็ยังไม่ประเสริฐเท่าสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมหรือเพื่อช่วยผู้อื่นออันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของการให้ทานนะเมื่อเอามาเทียบเคียงกับบารมีสิทธิ์มีคําถามไม่เอ่ยสงสัยตรงไหนไหม ไม่มีน ะ, ะถ้าไม่มีสงสัยตรงไหนนะอาตมาจะขอยกพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้เชื่อมโยงมาสู่ในเรื่องของการถือพระรันาตนไตยเป็นสาระการรักษาศีลการปฏิบัติสมถกรรมฐานแล้วก็การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะญาติโยมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊เราจะทําอะไรดีอะไรน่าจะมีอานิสงส์มากหรือประเสริฐมากเรื่องนี้พระสมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เคยเล่าให้ฟัง พระสูตรนี้ชื่อว่าเวลามะสูตรเป็นพระสูตรที่ท่านตรัสเล่าเรื่องเกี่ยวกับเวลามะพรามเวลามพรามนั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยก่อนในสมัยก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นั่นเองตอนที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในเรื่องนี้เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นเมื่ออนาถบินดิกเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุเต๋เจ้าก็ได้ปรารภในเรื่องของการให้ของอนัตติบิดาเกษฐีนั้นแล้วก็ท่านก็เลยตรัสแสดงทําให้ฟังทาที่ท่านตรัสแสดงนั้นท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าบุคคลให้ทานปราณีตก็ตามหรือไม่ปราณีตก็ตามแต่ถ้าให้โดยไม่เคารพให้โดยไม่นอบน้อมนะไม่ได้ให้ด้วยมือของตนให้ของที่เหลือเมื่อให้ ไม่ได้ให้ด้วยความเชื่อในกรรมและผลของกรรมนะกรรมและผลของกรรมก็คือการให้นั้นมีผลการทําความดีนั้นมีผลสิ่งที่ทํานี้เป็นการทําสิ่งที่ดีงามก็ย่อมมีผลที่ดีงามเกิดขึ้นกับชีวิต จ, จิตใจของเราแต่สักแต่ว่าให้ให้วัตถุให้สิ่งของไปแบบนี้ท่านบอกว่าบุคคลผู้ให้แบบนีนะ้หากได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้ที่มีโพคะทรัพย์มากแต่ว่า ใจจะไม่น้อมในการใช้โภกระสับและสิ่งของที่ดีเหล่านั้นพร้อมกันนั้นบุตรภรยาบริวารหรือลูกน้องญาติพี่น้องก็ไม่จะไม่เชื่อฟังส่วนบุคคลผู้ให้ทานที่ประณีตก็ตามไม่ประณีตก็ตามเวลาให้ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตัว ขะให้ให้ของที่ไม่เหลือขนาดให้นั้นมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในกรรมและผลของกรรมมีจิตเลื่อมใสในทานที่ตนเองให้มีความอิ่มเอิบใจในทานที่ตนเองได้ให้ไม่ใช่ให้เพราะตัวเองอยากได้อะไรใช่ไหมอันนี้มีความสุขในการให้มีศรัทธาในการให้บุ้คนเหล่านี้หากตายไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้ที่มีโพกซัพย์มาก นอกจากมีปกกระซย์มากจิตใจเขาย่อมน้อมมาในการใช้ของที่ดีที่เขาสามารถหามาได้มีบุตรภรรยาหรือแม้กระทั่งบริวารญาติมิตรย่อมเชื่อฟังเขานี่คือตั้งเจต น, นาแตกต่างกันผลที่ได้ก็แตกต่างกันนะในแง่ของทานได้ปกกศัพย์จริงแต่ความเคารพนับถือนั้นอาจจะไม่ได้ถ้าในขณะที่ให้เราไม่ได้ให้ด้วยความนอบน้อมไม่ได้ให้ด้วยความเคารพ ซึ่งเจตนานในการให้อัตมาได้เคยกล่าวถึงไม่เยอะแล้วนะหลายแงยม่มุมอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนอกจากนั้นแล้วนะถ้าไม่มีทักษิณญาบุคคลการให้นั้นก็จะมีผลน้อยหรือมีอนิสงส์น้อยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยยกตัวอย่างพระองค์เองตอนสมัยเกิดเป็นเวลามพร้ามในสมัยที่ท่านเกิดเป็นเวลามพร้ามนั้นท่านได้ให้ของที่มีมูลค่ามาก มูลค่ามากแค่ไหนโยอมลองตีเป็นมูลค่าของเงินในสมัยปัจจุบันนี้ดูกันแล้วกันในสมัยที่ท่านเกิดเป็นเวลามะพร้ามนั้นท่านบอกว่าท่านได้ให้ถาดทองถาดเนี่ยเป็นถาดทองเต็มไปด้วยเงินเอาเงินในสมัยก่อนเนีเต็มไปด้วยเงินแปดหมืนสี่พันรูปียะถาดทองเต็มไปด้วยเงินแปดหมืนสี่พันรูปียะรูปียะนี่เป็นหน่วยในการนับ ถาทำได้ทองแล้วมีเงินเป็นแท่งๆเนี่ยยุบแปดหมื่นสี่พันรูปียะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ท่านได้บริจาคหรือให้ถาดเงินตัวถาเป็นเงินที่เต็มไปได้วยทองแปดหมื่นสี่พันรูปียเยอะไหมอลองแค่นี้ก็นับไปเยอะแล้วนะเงินเป็นเงินเงินเป็นก้อนเนี่เดี๋ยวนี้ก็ราคาแพงมากนอกจากนั้นแล้วท่านยังให้ ขาดสำริดที่เต็มไปด้วยเงินอีกแปดหมืนสี่พันรูปียะให้ข้าวอย่างดีแปดหมื่นสี่พันให้รถอขอไปให้ช้างอย่างดีแปดหมืนสี่พันตัวให้รถที่ประดับตกแต่งอย่างดีแปดหมืนสี่พันคันรถเทียมนะนะรถเทียม ให้แม่โคที่มีน้ำนมไหลแม่โคที่สมบูรณ์ที่มีน้ำนมไหลอย่างดีแล้วใช้ภาชนะเงินในการรองน้ำนมจากแม่โคนั้นเพราะคนอินเดียนี่โคนี่ถือเป็นสัตว์ที่ให้อุปการะเขามากนะเพราะว่านมโคนี้ทั้งใช้ดื่มได้เอามาทำเป็นเนยได้เอามาทาเป็นน้ามันได้มูลโคก็ยังเอามาทำเป็นฟืนได้ด้วยให้แม่โคอย่างดีอีกแปดหมื่นสี่พันตัว ให้หญิงสาวที่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยของมีค่าต่างๆมีสร้อยทอกำไลรวมไปถึงอาภรณ์อย่างดี 84,000 คนให้บรรลังที่ปูด้วยผ้าเนื้อดีประดับตกแต่งอย่างดีอีก 84,000 บรรลังให้ผ้าเนื้อดี 84,000 พับเยอะไหมสมัยนี้ก็ไม่รู้จะเทียบเงินกี่ กี่สิบล้านหรือกี่ร้อยล้านนะไม่แน่ใจเหมือนกันท่านบอกว่าทานแม้ให้อย่างนี้ยังนับว่ามีอานิสงส์น้อยเพราะในสมัยนั้นไม่มีทั ก, กษิณอยยากบุคคลคือบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางไม่ปรากฏในสมัยนั้นให้กับบรรดาบุคคลทั่วไปท่านบอกว่ายังประเสริญน้อยทานที่ให้ท่านให้นี้ตีเป็นมูลค่าในว่ามูลค่ามหาศาลแต่ท่านบอกว่าอานิสงส์อย่างน้อย น้อยกว่าบุคคลผู้ให้ข้าวให้น้ำแก่ผู้ที่มีทิฏฐิที่ตรงผู้ที่มีทิฏฐิที่ตรงนั้นได้แก่ใครเอย่ยพระโสดาบันสิ่งที่ท่านให้ทั้งหมดเนี่ยท่านบอกว่าขนาดให้เยอะอย่างนี้อานิสงส์หรือผลนั้นยังน้อยกว่าให้ข้าวและให้น้ำแก่พระโสดาบันหนึ่งคน อา้าวนี่ลองเทียบเคียงดูนะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสต่อว่าให้ข้าวและน้ําแก่พระโสดาบันหนึ่งองค์อานิสงส์ยังน้อยกว่ายังประเสริฐน้อยกว่าการให้ข้าวและให้น้ํากับพระโสดาบันหนึ่งร้อยคนนั้นจํานวนมีผลใช่ไหมยิ่งผู้รับมีจํานวนมากเป็นผู้ประเสริฐมากมก็หมายถึงอานิสงส์ที่ได้ยิ่งมาก แต่ให้ข้าวและน้ำแก่พระโสดาบันหนึ่งร้อยองค์ท่านจะบอกว่ายังประเสริฐน้อยกว่าการถวายข้าวและน้ำหรือการให้ข้าวและน้ำแก่พระสะกทาคามีหนึ่งคนให้ข้าวและน้ำกับพระสะกทาคามีหนึ่งคนยังประเสริฐน้อยกว่าให้ข้าวและน้ำกับพระสะกทาคามีหนึ่งร้อยคน ให้ข้าวและน้ำกับพระสักกาคะมีหนึ่งร้อคนยังประเสริฐน้อยกว่าให้ข้าวและน้ำกับพระอนาคามีหนึ่งคนหรือหนึ่งองค์ให้ข้าวและน้ำกับพระอนาคามีหนึ่งองค์ประเสริฐน้อยกว่าให้ข้าวและน้ำกับพระอนาคามีหนึ่งรอยองค์ให้ข้าวและน้ำกับพระอนาคามีหนึ่ง้อองค์ยังประเสริฐน้อยกว่าการให้กับข้าวและน้ำกับพระอรหันต์หนึ่งองค์ โอ้พระอรหันต์นี่ก็ถือว่าประเสริฐสุดแล้วนะแต่ยังไม่ใช่แค่นั้นให้ข้าวและน้ํากับพระอหรหันต์หนึ่งองค์ยังประเสริฐน้อยกว่าให้ข้าวและน้ํากับพระอรหันต์หนึ่งร้อยองค์แต่ให้ข้าวและน้ํากับพระอรหันต์หนึ่งร้อยองค์ท่านบอกยังประเสริฐน้อยกว่าให้ข้าวและน้ําคือถวายข้าวและน้ํากับพระปัจเจกพุทธเจ้เจาหนึ่งองค์ ให้ข้าวและน้ํากับพระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งองค์ประเสริญน้อยกว่าให้ข้าวและน้ํากับพระปเจกพุทธเจ้าหนึ่งรอยองค์แต่ให้ข้าวกับพระปเจกพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าอานิสงฆ์ยังประเสริฐน้อยกว่าการถวายข้าวและน้ํากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านเห็นเป็นระดับแล้วนะในประสุนี้ท่านตัดต่ออีกบุคคลให้ข้าวและน้ํากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักว่าประเสริฐสูงสุดอนะนี่ให้กับพระศ า, าสดาท่านบอกว่ายังประเสริฐน้อยกว่าให้กับให้กับสงมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานอย่างที่โยมมาทําสังฆทานเนี่ยแหละพระโยมตั้งเจตนาถวายให้กับสงโดยส่วนรวมทั้งหมดไม่ใช่ถวายให้พระรูปนั้นรูปนี้หรือวัดนั้นวัดนี้นนเท่านั้นนอกถวายให้กับสงทั้งหมดเลย นั่นะประเสริฐมากกว่าโยมเกิดในสมัยพุทธกาลแล้วก็ปถวายข้าวและน้ำกับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเสีย อ, อีกนั้นตอนตัก บ, บาตรเทโวนี่โยมได้ตั้งใจไหมเรียนกันไปแล้วนะบอกแล้วนะเสียเงินเท่ากั น, นเจตนาตั้งไว้ต่างกาันจิตใจต่างกานันนี้อานิสงส์แตกต่างกันเยอะมากมายเลยนะแต่การให้ข้าวและน้า กับสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านยังบอกว่ายังนับว่าประเสริฐน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรเอ่ยน้อยกว่าการสร้างวิหารถวายให้กับสงฆ์ที่มาจากจัตุรทิศสร้างวิหารก็คือสร้างที่อยู่นั่นเองวัดหรือที่อยู่หรือให้ที่อยู่หรือถวายที่อยู่ให้กับพระสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสีนั่นเองโดยไม่จากัด ว่าวัดใดหรือว่าพระพิสุทสงฆ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่สร้างวิหารให้กับถวายให้กับสงฆ์โดยส่วนรวมทั้งหมดอาจจะด้วยเหตุนี้กระมังนะคนไทยจึงในสมัยก่อนจึงนิยมสร้างวัดมากนะแต่การสร้างวิหารให้ถวายให้กับสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศนับว่าประเสริฐแล้ว ะสร้างวัดชื้อใหญ่โตเลยนันถวารให้สงศ์โดยส่วนรวมทั้งหมดมาจากจัตุรทิษ์นะวประเสริฐแล้วท่านบอกว่ายังประเสริฐน้อยกว่านะน้อยกว่าอะไรรู้ไหมน้อยกว่าบุคคลที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงแค่เรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุพะพทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจเท่านั้น นั่นแหละประเสริฐหรือมีอานิสงส์มากกว่าการสร้างวิหารถวายให้สงฆ์ที่มาจากจุตรรติเสีอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเทียบเงินเป็นเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านนะอันนั้นถือว่าจิ๊บจอยมากเลยใช่ไหมนี่เทียบระดับมานะว่าอะไรการปฏิบัติทําอย่างไรที่ให้อานิสงส์หรือมีประโยชน์มากที่สุดนะมีประโยชน์มากกว่ากันอย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นบุคคลมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความอิ่มเอิบเมืม่อเราน้อมลึกนึกถึงคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม้ยมทําเพียงแค่เนี้ยประเสริฐมากกว่าที่กล่าวถึงมาในตอนแรกทั้งหมดยากไหมการที่เราทําจิตเลื่อมใสไหว้พระสวดมนต์นั่นแหละนะถ้าโยมไหว้พระสวดมนต์โดยรู้ความหมายพิจารณาความหมายตามมีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่เลื่อมใส ในขณะที่เรากําลังไหวพระสวดมนต์นั่นแหละโยมกําลังทําสิ่งที่ประเสริฐมากกว่าการให้ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวถึงมาในตอนต้นทั้งหมดเลยแม้แต่กระทั่งการถวายวิหารให้กับสงฆ์ที่มาจากจตุรทิศหรือแม้แต่กระทั่งการเอาวิหารหรือการถวายข้าวให้กับพระสมมาสัพพุทธเจ้าเสียอีกเพียงแค่เรามีจิตเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงใจ การที่เรามีจิตรเลื่อมใสศรัท ธ, ธาอย่างจริงใจในพระพุทธธรรมประสงค์หรือในรัตนตรายนั้นท่านยังบอกว่าอานิสงฆ์ยังน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรเอ่ยน้อยกว่าบุคคลมีความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาแล้วสมาทานศิกขาบทห้าเห็นไหมศิกขาบทห้าคนไทยก็เรียกว่าอะไรเอ่ยศีลห้า น, นั่นเอง ถ้าโยมสมาทาศสิกขาบทห้าตั้งใจอย่างแท้จริงแล้วพยายามตั้งใจรักษามีความภูมิใจมีความอิ่มใจในศีลห้าที่เรารักษาได้ดีนั่นนะ่ะประเสริฐมากกว่าที่กล่าวถึงมาทั้งหมดอีกแต่ทุกวันนี้น่าเสียดายที่คนไทยกลับสิ่งที่มีอานิสงส์มากเหล่านี้กลับไม่ค่อยยอมปฏิบัติกันมัวแต่เสียเวลาหาเงินหาทองจะต้องเอาเงินให้ได้สิบล้านน้อยล้านต้องเอาไปถวายให้ภาพรูปนั้นรูปนี้ หรือไปสร้างนั่นสร้างนี่แล้วคิดว่านั่นจะได้อ น, นิสงฆ์มากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นี่คือสิ่งที่พระสมมาสัพพุทธเจ้ากลับเองนะบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาสมาทานสิกขาบทห้าข้อคงไม่ต้องยังไม่พูดถึงนะสิกขาบทห้าข้อคิดว่าคนไทยรู้ดีกันอยู่แล้วท่านบอกนั่นยังอ น, นิสงฆ์น้อยนะตอนให้สมาทานสิกขาบทห้าข้อได้ดีอย่างยิ่งเพียงใดท่านยังบอกว่า อนิสง์ยังน้อยกว่าบุคคลเจริญเมตตาแม้เพียงช่วเวลาสรดมของหอมเป็นยังไงช่วงเวลาสุดดมของหอมอยังยยมหยิบดอกไม้มาสุดเจริญเมตตาแค่เนี้ยอนิสง์มากกว่าที่กล่าวถึงมาทั้งหมด แต่ต้องหมายความว่าจิตเมตตาเกิดขึ้นจริงๆแผ่ไปเป็นเมตตาชานได้จริงๆนะนั่นแหละประเสริฐมากกว่าที่กล่าวถึงมาทั้งหมดให้ฝึกแล้วนะเจริญเมตตาเนี่ยนะถ้ายมไปฝึกไปทําให้ดีน่ะให้รู้ไว้ว่าอนิสงฆ์มากกว่าที่กล่ า, ถาลวถึงมาตอนต้นทั้งหมดเลยต้องเสียเงินเสียทองอะไรไหมไม่ทําแล้วใครมีความสุขก่อนตัวเราแล้วทําไมไม่ทําละ่ะทําให้เป็นประจำทําให้เป็นนิสัยสิ แต่การเจริญเมตตานี้พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้ด้วยว่าการเจริญเมตตาแม้เพียงชั่วระยะเวลาสุดลมของหอมนั้นอานิสงฆ์ยังน้อยกว่าบุคคลเจริญอนิจจสัญญาแม้เพียงชั่วลักนิ้วมือเดียวเจริญอนิจจสัญญาได้แค่นี้ยประเสริฐกว่าการเจริญเมตตาชั่วสุดลมของหอมเมื่อกี้ อันนจากสัญญานี้ก็เข้าสู่ในเรื่องของอะไรแล้ววิปัสสนากรรมฐานนะใช่ไหมการพิจารณาไตรลักษณ์บุคคลผู้พิจารณาไตรลักษณ์ได้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างนี้ประเสริฐมากกว่าบุคคลผู้เจริญเมตตากรรมฐานในช่วงระยะเวลาสูดดมของหอมเสียอีกนะชั่วงลัดนิ้วมือเดียว่ดีดนิ้วหนึ่งป๊อกเนะจริญเมตเจริญอันนี้จากสัญ ญ, ญาได้แค่นี้ ประเสริฐมากกว่าที่กล่าวถึงทั้งหมดนี่คืออานิสงส์ที่แตกต่างกันแต่ว่าแม้มีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่โยมบอกว่าจะเอาเจาริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวแล้วก็อย่างอื่นไม่ทำนะบางคนเดี๋ยวนี้บางคนเข้าใจผิดไปอย่างนั้นเลยไม่ว่าอานิสงส์จะมากหรือน้อยแต่ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทั้งสิ้น โยมมีโอกาสทำอะไรได้ในตอนนั้นโยมทำให้เต็มที่เถอะมีแต่ได้ไม่มีเสียเป็นเหตุปัจจัยในทางที่ดีทั้งสิน้นอย่างตอนนี้มีโอกาสนะเราบริจาคทานได้โยมรีบบริจาคทานเลยบริจาคอย่างใช้ปัญญาด้วยนะมีจิตเรื่มใส่ศรัทธารักษาศีลได้ในตอนนี้นึกขึ้นมาได้ตอนนี้สมาทานตอนนี้เลยนะตั้งใจไว้เลยตอนนี้ นะอ้าอย่างน้อยที่สุดถ้ากลัวนานกว่านี้ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงนี้เราจะรักษาศีลมีความอิ่มใจมีความภูมิใจมีความเริ่มใสศรัทธาในสิกขาบทห้าข้อที่ดีงามที่เราตั้งใจรักษาเพราะตั้งเจตนาตั้งใจว่าอย่างนี้เป็นยังไงเอ่ยนั่นนะ่ะประเสริฐมากกว่าโยงไปถวายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านเสอีกประเสริฐมากกว่าการที่โยมสร้างวิหารถวายให้สงฆ์ทั้งปวงเสอีกใช่ไหมใช่ นี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่โอกาส เ, าเขามีการสร้างวัดเรามีโอกาสเอาล่ะเราบริจาคช่วยเขาสร้างวัดด้วยถ้ามีโอกาสทําเลยนี่เป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งสิ้นปัจจุบันนี้บางคนเข้าใจผิดไงคิดว่าเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปทำหรอกฉันปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ถามหน่อยเถอะในชีวิตจริงเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ตลอดไหมล่ะทําไม่ได้ตลอด แต่ถ้าตอนนั้นเรายังปฏิบัติในแง่ของวิปัสสนาไม่ได้อย่างน้อยเจริญเมตตาถ้าเจริญเมตตาไม่ได้ตอนนั้นทําอะไรได้รักษาศีลได้ไหมอย่างน้อยสำรวมรมักษาศีลถ้ารักษาศีลยังไม่ได้อย่างน้อยนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระพุทธธรรมประรสงค์เป็นหลักชัยในในชีวิตของเราเอาไว้ถ้าแม้ทําอย่างนี้ยังไม่ได้อย่างน้อยก็ให้และบริจาคแต่ไม่จําเป็นต้องให้และบริจาคเพียงแค่วัตถุใช่ไหมอย่างที่อะตามาบอกว่าสิ่งที่ให้ยมีได้หลายอย่างตั้งแต่ให้วัตถุสิ่งของให้ คำปรึกษาให้คำแนะนำใช่หมหรือแม้กระทั่งให้คาชมให้ด้วยแรงกายใช่หใช่ให้โดยประพฤติตนสมฐานนะเนี่ยพวกนี้ถือว่าโยมได้ให้ทั้งสิ้นเจอหน้าการโยมก็ให้ได้แล้วอย่างน้อยให้ไมตรีจิตใช่ไหมใช่ยิ้มให้การตั้งจิตปรารถนาดีซึ่งกันและกันนั่นแหละโยมได้ให้ละถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนาหรือเจริญเมตตากรรมฐานอย่างน้อยให้ตรงนี้ออกไป นั่นแหละโยมจะได้ทำบุญอยู่ตลอดทำสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้การปฏิบัติในขั้นสูงของโยมเจริญก้าวหน้าดีๆยิ่งขึ้นขึ้นไปด้วยต้องขออภัยด้วยพอดีมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหนึ่งอาตมาต้องดื่มน้ำเป็นระยะระยะ เพราะฉะนั้นเมื่อโยมได้ให้ทานโยมก็ต้องอย่าลืมถึงธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นต้องไม่ละเลยมีเวลาให้โยมฝึกให้โยมประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่ในธรรมที่สู ง, ย, งยิ่งขึ้นไปเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ดูถูกธรรมแม้เป็นสิ่งเพียงเล็กน้อยเราจากน้ําใส่ตุ่มนะน้ํามันหยดทีละหยดทีละหยดหรือตักไช่ทีละขันหรือเอารถคันนึงมาเทใส่ มันก็ช่วยทำให้ตุ่มเร็วขึ้นทางนั้นไม่ใช่มัวไปรอให้ซื้อรถได้เสียก่อนจึงค่อยตักน้าใช่ไม่ใช่ตอนนั้นมีอะไรพอจะตักได้ได้มากได้น้อยตักไว้ก่อนเลยเหมือนบุญกุศลคุณงามความดีไม่รู้ละตอนนี้เราทำอะไรได้ทำไว้ก่อนนะอันอื่นถ้ายังทำไม่ได้หรือยังไม่มีโอกาสยังทำได้ไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนนะแต่ก็หมายถึงว่าเรามีช่วงจังหวะเวลาโอกาสก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไป เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าอย่าดูถูกความดีไม่เพียงเล็กน้อยนะบุคคลสร้างสมความดีทีละเล็กทีละน้อยนะก็ย่อมเต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณงามความดีได้เะฉั้นะอย่าไปดูถูกว่าโอ้ยฉันปฏิบัติทำแล้วมันทานฉันไม่ต้องใหนะ้อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะทานไม่ต้องให้ล็อกซีไม่ต้องรักษาหรอกว่าพระสวดมนต์ก็ไม่ต้องอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดนะพระองคไม่สามารถปฏิบัติพิปัสนาอย่างนั้น ไ, ไปได้ตลอดเวลา พอไม่ได้ปฏิบัติได้ตลอดเวลาพอเผลอจิตใจยอมไม่ยอมไปให้ไปผูกอยู่กับสิ่งที่ดีงามมันก็จะวิ่งกลับวกเข้ามาหาตัวเป็นตันหาอุปาทานไปขยาจนะและในเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้ท่านตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าภิกษุแม้บรรลุอรหั ต, ตผลแต่เพราะมีการให้ที่แตกต่างกันผลที่ได้ก็แตกต่างกัน ภิกษุที่มีปกติในการให้ในการบริจาคในการแบ่งปันให้กับเพื่อนภิกษุหรือให้กับผู้อื่นแม้เมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วไปที่ไหนย่อมไม่ขาดแคลนในสิ่งของไปที่ใดย่อมไม่ขาดแคลนในปัจจัยสี่ย่อมเป็นผู้มากด้วยปัจจัยสี่ ส่วนภิกษุผู้ไม่มีปกติในการให้ในการบริจาคในการแบ่งปันไปที่ใดย่อมขาดแคลนซึ่งสิ่งของไปที่ใดย่อมอัตตะคัตนี่คือข้อแตกต่างนี่ขนาดบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วนะแต่ลักษณะภายนอกไม่เหมือนกันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นทาหรือความดีงามไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนขอให้ยมทาให้เต็มที่เถอะสิ่งต่างๆเหล่านี้ มีผลต่อเราทั้งสิ้นถือว่าเป็นการทํากรรมอย่างหนึ่งและผลของการกระทํานั้นเกิดขึ้นทั้งสิ้นแม้กระทั่งบรรลุอรหัตผลแล้วก็ตามแต่อย่างผู้ที่บรรลุอรหันต์นั้นจะเห็นว่าไปที่ใดถ้าอัตาคัดหรือไม่อัตาคัดสําหรับท่านนะ่ะไม่ทุกข์แล้วแต่ในแง่ของภายนอกร่างกายนะมันมีการยังมันจะมีการบีบขั้นใช่ไหมแม้ว่าใจของท่านจะไม่ทุกข์ก็ตามอันนี้ก็คือความแตกต่างกันในแง่ของการที่เรา ทำความดีหรือทำสิ่งที่เป็นกุศลอา้าวมีคำถามไหมเอ่ยจริ ง, รงๆร่างกายของเรากับอวัยวะนี่ก็เหมือนกันนะยกเว้นในเรื่องของชีวิตอวัยวะนี่ก็คือร่างกายของเรานี่เองถ้าเรายอมสละชีวิตเพื่อผู้อื่นได้นะจะจะจะประเสริฐมากกว่าการบริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะร่างกายนี่จะเป็นอวัยวะหนึ่งใช่ไหมใช่ มั้นยมรู้อย่างนี้เนี่ยยมถ้าจะบำเพ็ญบา ร, รมีหรือต้องการทำบุญกุศลให้เยอะให้ยมบำเพ็ญทานบา ร, รมีอย่างน้อยที่สุดที่ยมทำได้คืออะไรไปให้เลือดเป็นประจำสินั่นเป็นบา ร, รมีที่ดีแล้วใช่ไห ม, รรมอ๋ออันนี้ก็ต้องเราไปสอบถามก็าดูนะอ้าวถ้าเราให้เลือดไม่ได้ส่วนอื่นล่ะถ้าเราตายไปแล้วลูกตาเราก็ไม่ได้ใช้อ้าวเราก็ไปเซ็นบริจาคไว้ก่อน ร่างกายเราได้ใช้ไหมเราตายไปแล้วยังดีลูกหลานก็เอาไปเผาเผามาประสงกลิ่นครุ้งไปทั่วหรือแต่เศษเท่าเศษกระดูกอีกใช่ไหมใช่แล้วทำยังไงการนี้จะเป็นประโยชน์ได้บริจาคถ้าอาวัยวะภายในยังดีเผื่อไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานั้นไม่สามารถที่จะเอาเอาวัยวะของเราไปปลูกถ่ายให้ผู้อื่นได้อย่างน้อยเรายังได้ให้กับ นักศึกษาแพทย์ใช่มไหมหรือพยาบาลเขาได้ใช้ร่างกายของเราในการศึกษาเพื่อเอาไปช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นอีกโยมว่าประเสริฐไหมอย่างนี้ใช่ไหมเพียงแค่คิดขึ้นมาโยมก็จะเห็นว่าสิ่งนี้ประเสริฐมากกว่าอีกะตายไปโยมจะไปนั่งเสียดายทําไมว่าจะไม่สวยจะอวัยวะจะไม่ครบสุดท้ายมันเน่าเหม็นนอนขึ้นหมดถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เท่าเหมือนกันหมดใช่ไม่ใช่ถ้าเราก็ใช้การนี้ให้เป็นประโยชน์สิ ด้วยการให้ด้วยการบริจาคไปซักนะเจริญพรยมบริจาคแล้วก็ขออ น, นุโมทนา้าว่าไงจเจริญพรพระพุทธเจ้านั้นจะแบ่งออกเป็นสองสองแบบด้วยกัน <c oughs> คือพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่โดยปกติเมื่อเราเรียกพระพุทธเจ้าเรามักจะหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จเจริญพรถ้าโยมได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าในถ้อยคําปกติทั่วไปเนี่ยมักจะหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจเจรดญพรโยมท่านอื่นมีคําถามไหมเอ่ยทานกับบริจาคคืออันเดียวกันนั่นแหละนะทานก็คือการใหนะ้การให้การบริจาคนั่นเองคําว่าทานในเวลาแปลเป็นภาษาไทยก็คือการให้การบริจาคนั่นเองจเจริญพร เพรการให้การบริจาคที่แท้จริงก็คือจิตใจเราต้องมีความเสียสละและมีจิตตั้งใจที่จะให้แล้วก็สละออกไปเพรานการให้ทานนีช่วยขัดเกล่าขัดเกลวพวกความยึดติดถือมัน่นขัดเกลวพวกความเ พ, พ, พริดเพลินยินดีแล้วก็พวกโลภะใช่ไหมใช่ถ้าโยมมีความโลภอยู่โยมจะให้บริจาคออกไปไม่ได้ แต่ถ้าโยมให้บริจาคออกไปได้แสดงว่าโยมไม่มีความโ่วไม่มีความยึดติดในวัตถุสิ่งของนั้นแล้วโยมจึงให้บริจาคออกไปได้เนี่ยอัตมาท่าบอกว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในเรื่องของการให้ทานนี้แม้ว่าเป็นขั้นต้นก็ตามทำให้บ่อยๆทําให้ชินติดเป็นนิสยัยนะอย่าไปรองว่าเอาไว้ถวายทีเยอะๆนะรอไว้ถวายทีเยอะๆเนี่ยยังประเสริฐไม่เท่ากับการเราทําทีละเล็กๆน้อยๆแต่ทําให้เป็นประจัก ถาวาเยอะๆถ้าตอนนั้นจิตมันไม่จิตของเราไม่ได้เรื่อมใสเต็มที่ไม่ได้เกิดศรัทธาอย่างเต็มที่ไม่ได้อิ่มใจอย่างเต็มที่อธิสมันก็น้อยลงไปใช่ไหมใช่แต่ถ้าเราทำเป็นประจำเป็นยังไงเอ่ยมันจะติดเป็นนิาสัยภาษาธรรมะเราเรียกว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอาจินนกรรมคือกรรมที่ทาบ่อยๆกรรมประเภทนี้จะส่งผลก่อน ถ้าไม่มีพวกกรรมหนักคือคารุกกรรมเข้ามาส่งผลอาจินกรรมจะส่งผลก่อนดันที่อาตมาเคยบอกโยมนะถ้าโยมที่มาเก่าๆเนี่ยอาตมาจะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยว่าถ้าอยากรู้ว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะภูมิในอนาคตของเราแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็ให้โยมลองนั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆสิแล้วลองดูสิว่าสิ่งที่ผุดขึ้นในใจของเราสิ่งที่เราคิด เป็นสิ่งเป็นหรือเป็นเรื่องราวประเภทไหนถ้าเป็นเรื่องราวที่ดีงามเรื่องราวที่ผ่องใสเป็นประจำหรือบ่อยๆแสดงว่าพื้นจิตโยมดีแนวโน้มไม่ใช่ไม่ใช่ร้อร์เ็นะเป็นแค่แนวโน้มแนวโน้มคือสุกติภูมิแต่ถ้าเรานั่งอยู่ที่เฉยๆมีแต่เรื่องไม่ไดีพุดขึ้นมาในจิตใจอยู่ตลอดเดี๋ยวไอ้ น, นั่นในอย่างนั้นเดี๋ยวไอ้นี่อย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นเดี๋ยวอยากได้อย่างนี้เดี๋ยวก็อึอดอัดคับข้องหงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พุดขึ้นมาตลอด แนวโน้มไปที่ไหนแล้วอย่างนี้ทุกคตินะถ้าไม่แก้หรือไม่ปรับเปลี่ยนแล้วก็ระวังให้ดีเนะพราะแนวโน้มของจิตมันไปในทางที่ไม่ดีงามนะเจริญพรเพราะการที่โยมทำอะไรบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทึงบอกว่าถ้าไมา่ได้ปฏิบัติในขั้นของสมถะวิปัสสนาอย่างน้อยสุดรักษาศีลถ้าตรง น, นั้นยังไม่ได้อย่างน้อยนึกถึงเรื่องที่ดีให้บ่อยๆไว้บุญกุศลเล็กนึกหึงก็งให้บ่อย ถ้ายัางนึกอย่างนั้นยังไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยได้นึกขึ้นมาได้ให้พยายามช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเฟื้อผู้อื่นมีน้ําจิตน้ำใจด้วยการให้ทานก็จะได้เป็นสภาพปรุงแต่งที่ดีเป็นอาจินกรรมที่ดีสําหรับเราจเจริญพร อ, อาหามีคําถามอย่างอื่นไม่เอ่ยไม่มีคําถามน ะ, จะเจริญพร เมตตามีโลภะนำที่บอกว่าโยมบอกว่ามีโลภะนำเป็นอาการยังไง ถ, นะถ้าอย่างนั้นเวลาโยมจะช่วยใครโยมอย่าไปนึกถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจตัดตรงนั้นทิ้งเสียตั้งใจว่าเราจะได้ช่วยเขามีความภูมิใจมีความผินใจที่เราได้ช่วยที่เราได้ให้ ส่วนเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจจะมาหรือไม่มาอย่าไปนกไม่ต้องไปนึกตรงส่วนนั้นแต่มันก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะคนช่วยผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์กับคนช่วยผู้อื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์เนี่ยผลแตกต่างกันนะลองสังเกตดูด้ก็ได้ถ้าเราช่วยโดยการหวังผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เวลาเราไปช่วยในใจมันจะไม่บริสุทธิ์ผ่องใสร้อยเอร์ซ็ และผลที่ได้ในแง่ของการช่วยเหลือจากคนที่เราช่วยนั้นมันจะน้อยลงด้วยลองไปสังเกตดูเอาเองนะแต่ถ้าเราช่วยโดยที่เราไม่หวังอะไรบางทีเราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ผลอะไรนะี่ยผลมันกลับเกิดขึ้นกับเราได้มากกว่าเสียอีกอันนี้มันแตกต่างกันเลยนะในแง่ของจิตบริสุทธิ์ในการที่ให้เนะี่ยเพราะฉะนั้นทึงเน้นย้าอยู่เสมอว่าเวลาให้เนะี่ยอย่าไปหวังว่าตัวเองจะได้ผลประโยชน์อะไร แต่ขอให้มีความภูมิใจมีความอิ่มใจที่เราได้ให้เราได้แบ่งปันเราได้ช่วยเหลือมีความภูมิใจมีความอิ่มใจในสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำเวลานึกก็นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราได้ทำอย่าไปนึกว่าเราจะได้อะไรต่อจากนี้จะเด่นพอใช่ถูกตอ้องนะเพราะั้เวลาเราจะช่วยใครไม่ต้องไปนึกถึงลนะ เขาจะให้ผลประโยชน์เราได้หรือไม่ได้แต่ให้มาดูว่าเรามีความภูมิใจมีความอิ่มใจที่เราได้ช่วยเราได้เพื่อเพื่อเราได้แบ่งปันทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งทิ้งความคิดที่ว่าฉันจะได้อะไรแต่ให้อยู่กับความรู้สึกและความคิดที่ว่าฉันกําได้ทําสิ่งที่ดีงามมีความภูมิใจมีความอิ่มใจอย่างนั้นจะเร็วพออานะเพราะในในแง่ของการสอนอาตมาก็จะไล่ลําดับอย่างนี้ไปเรื่อย จะเห็นว่าตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องทานกําลังจะจบต่อจากทานนี้ก็จะไปพูดถึงเรื่องของรักษาศีลต่อซึ่งก็คงจะพูดถึงต่อในช่วงอาทิตย์หน้าในเรื่องของการรักษาศีลวันในเรื่องของทานวันนี้ก็คิดว่าคงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้มีเวลากันอยู่อีกประมาณสักสามสิบห้านาทีถึงสี่สิบนาทีอัตมาก็จะได้สอนในการปฏิบัติกรรมาฐานต่อเพราะว่าเราสลับกันนิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนช่วงแรกพอดีว่าเสียงดัง ช่วงนี้พอดีเสียงเบาแล้วนะก็จะให้